ความคว้างขวางไม่มีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความรุ่องเรืองวิธีรู้ที่สามารถเอาตนออกอดพ้นไปได้ก็มีกันวนเท่าฝ่ามือถึงคำว่าคมหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกลูกทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีญาติครอบ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 ได้รับฟังก็เกิดความเชื่อความสงสัยผ ร, รุษปธิบัติตามพระองค์ท่านเงินกายเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยลำหนักลำดาที่เราให้นามว่าสาวกไตรหรันท่านเป็นลำหนับมาเช่นนี้และท่านอย่างนั้นไปรปนิพพานไปเรื่อยๆมีร่วงโรยไปเรื่อยมความมืดมิดปิดตาก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้น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 ตัวดีแล้วก็ยิ่งเข้ากันได้ง่ายความจริงจริงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการตกทุพธิบัตธรรมหรือการสังธรรมซึ่งเป็นความจริงจิบจีบฝืนงเสนอไปแต่สิ่งที่จิบชอบก็คือสิ่งที่เต็มเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้งนั้นที่เรียกว่าของฟอมทั้งสิ่งอันใดท่ตรอม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 อันเป็นแนวทางที่ถูกต้ตองออกมาจากสวดส ว, สวาตธรรมจุหนึง่งมีความสนใจประพึติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝืนสิ่งอันนี้อยู่เลยดีทังกเราวประพฤติปฏิบัติเวลา น, นี้ก็ออกมาจากคนเรืงใจของคนย่อมเหมือนคนแม้จะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกขันนั่งเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความที่เกียมก ง, ง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยคอย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 ถนนหลวงถ้าถูกกลับหมายสายโทษนี่นี่คือถนนหลวงนั่นแหละขจุธรมณะในกลางทุกขังาารัาที่เต็มอยู่ในธาตุในขนันธ์นี้แต่ก้อนในกางทุกขังาพิจา ร, รณาให้เห็นตามพุยิงต่อยวางการลำดับเข้ามาถ้าเราจะมีความสุขความสบายนีที่ได้ข้านั้นเนเครื่องหลอกลว ง, งนเป็นเื่อ ง, งให้พวกเราถ้าแกกี่เรียนด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไปความสุขความสบายความเห็นชอบ